ลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็ขอต่อว่าเมื่อพระเจ้าตาสินมหาราชทรงตัดกับพระพุทธยอดฟ้าจยลาโลกสมัยที่เป็นสมเด็จเจ้าพญามาหาธาตุศึกว่าดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเวลานี้ขเขมรแข็งเมือง ให้ยกทัพไปตีเขมนให้ลูกชายเขาชันสองคนให้ลูกชายไปด้วยแล้วก็มาตีเขมรได้แล้วก็จงอย่าลูกชายเห็นมาให้คลองอยู่ที่นั่นแล้วด้วงกลับมาด้วงก็เป็นกษัตริย์แล้วก็สำหรับเงินที่จะต้องใช้ให้แก่ทารายการ เบี้ยวัดเงินปีต่างๆที่ข้างค้างฉันเตรีไมไว้พร้อมแล้วแล้วก็เงินอีส่วนหนึ่งสําหรับใช้าภายในประเทศฉันก็เตรียมไวแล้วแล้วก็เงินอีส่วนหนึ่งสําหรับที่ด่วงเวลาเป็นอษัตรีย์จะใช้ฉันก็เตรยมไวแล้วทั้งสามส่วนซึ่งในระยะไม่ช้าเจ้าสัวเขาจะมาโอนเงินของเขา ตอนนี้แหละดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันจะต้องพ้นจากตาแหน่งของพระเจ้าแผ่นดินและในเมื่อดวงทํางานคราวนี้ต้องทําเป็นรูปปฏิวัติว่าทำเป็นโรขบฏยึดอํานาจจากฉันว่าการยึดอํานาจกันเฉยๆก็ยังหาว่าดวงเป็นคนอักตันโยแล้วก็เห ม, เห ม, มาก ฉันจะทำทีมันว่าเป็นนักบวชลั่ก็ทำเป็นคนสติฟันฟ่นเฟือนในที่สุดกลับมาแล้วด้วงก็จับฉันรหารชีวิตแต่การประหารชีวิตนั่นด้วงจะประหารจริงๆแลอว่าจะประหารนอกหลอกอยเป็นวิธีการของด้วงฉันพร้อมที่จะยอมตายเพื่อชาติ เห็นไหมลูกที่รักคนดีท่านทำกันอย่างนี้ท่านไม่มานั่งเมามันเพื่อต้องการรัฐธรรมนูญต้องการรัฐสภาเวลาจะประกาศกับประชาชนว่าจะต้องการเป็นผู้แทนของคนชนชาวไทยแต่มาเลือกกันมาได้แล้วก็อยากจะเป็นรัฐมนตรี มุ่งความเป็นใหญ่ท่นนี้พระเจ้าตาสินท่าไม่ต้องการอย่างนั้นในเมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสมัยนั้นเป็นสมเด็จเจ้าพญามหากษัตว์ศึกทรงทราบตามความเป็นจริงแล้วก็พระเจ้าตาสินก็มีพระทัยไม่คงจะต้องการให้พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ไม่เช่นนั้นประเทศไทยเราจะทรงตัวอยู่ไม่ได้เพราะว่าท่านกู้เงินของจีนถ้าไม่มีเงินให้เขาจะเลือดจะลือว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเนี่ยกำลังต่างกันเราเองก็ไม่จะตั้งตัวใหม่ๆทิ้งเขาใช้กําลังใกล้กลๆเราก็สู้เขาไม่ได้ถ้าก็หาว่าโกง มีเนื้อแท้ความจริงเป็นอย่างนี้แต่ว่าต่อมาภายหลังพระยาสันบรีทำงานเกินอำนาจที่สั่งไว้จับไปเจ้าตา่างสินเอาเสียจริงๆจับแบบจับจริงๆแต่จอนตอนเข้ามาจับนั่ น, นท่านท้าวกาพรมบอกว่าสิพยานี่จะโซ พอมีกำลังแล้วแสบระองค์อยู่พอสองขวรพิยาสันบรีแปลวากำลังมาจากกรเสิทธิยาแต่เนื้อแท้จริงๆถ้ารบกันพิยาสันบรีก็หัวขาดสู้ไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าต่างสินเห็นว่าถ้าเกิดสู้แก่งขึ้นงานที่คิดไว้ก็ไม่เป็น เพราะว่าคนสิบคนนี่ไม่รู้เรื่องถ้ารบ ก, ก็ต้องรกคนณข้านแตกหากจริงๆ <c oughs> อย่างนั้นยิห้ามปราบปล่อยให้พญาสันจับเพราะว่าการลงโทษขา้าพเจ้าต่สินที่ลงโทษพระเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องหลอกกันเมื่อพระทำผิดเรียกมาสอบสวน เวลาจะลงโทษแต่เรเอาจับนับโทษมาแล้วโกนหัวถห้ผ้าเหลืองนุ่งแล้วก็เขียนสั่งเขียนก็เลยหาท่านบ้าเขียนพะแต่ความจริงพระไม่ได้ถกเขียนทําให้ชาวบ้านก็าเห็นว่าบ้ามีสติฟันเฟือนด <c oughs> ังนั้นเมื่อมีสติฟันเฟือนการจับให้ออกจากพระวาระการใส่ก็เป็นของธรรมดา เป็นอันว่าทั้งสองพระองค์ต้องยอมเสียชื่อเสียศักดิ์ศรีเรียกทั้งสองฝ่ายต้องหน้าขอบคุณพระเจ้าต่างสินมหาราชยอมเสียชื่อว่าจวนบ้าถ้าถูกออกจากบริษัทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ต้องยอมเสียชื่อในฐานะที่เพียงกบดแต่ความจริงทั้งสองท่านนี้ทำเพื่อไทยทั้งชาติ ให้ชาติไทยทรงอยู่ใน ล, ลูงหลานที่รักจงจำปฏิัทานีไว้ถ้ามีความจำเป็นเราต้องเสียสละเพื่อชาติศาสนาพ ร, ระมหากษัตริ์และวงศชนชาวไทยแม้แต่ชีวิตเวลานี้ชีวิตของพ่อก็ดีชีวิตของโลกก็ดีอยู่ในช่วงของอันตราย เขียนว่าปีพศ2520มีบุคคลบางกลุ่มไม่ทราบว่ามาจากไหนส่งมือปืนมาเพื่อจะยิงพ่อที่วัดเกินกว่าสิบครั้งแล้วก็หาทางก่อวินาศกรรมเกินกว่าห้าครั้งบางครั้งก็ส่งมือปืนมาเวลากันคืนทั้สองคันรถพิกอับพิกอับ เพื่อจะทำลายท่าสถานที่และทำลายชีวิตพ่อว่าการไปที่ไหนก็มีการถูกติดตามอยู่เสมอด่านนี้ทำมาเขาว่ายังไงเขาหาว่าพ่อนะเป็นคนขัดคอเขาความจริงพ่อทำเพื่อเป็นการสงเคราะห์ในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้คนไทยทั้งชาติมีความสามัคคีกันแต่พ่อไม่มีวาสนาบารมีให้คนไทยทั้งชาติสามัคคีกันได้ <c oughs> แต่วําได้เพียกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยขอเขาก็ไม่ชอบใจการแจกข้าวแจกของก็ได้บารมีความร บ, บายมเส็จที่จะอยู่หัวทรงพระมหากุณาเปาิคกล่าวพระเยทานทรัพย์สนพระองค์ แล้วเงินโดยเสด็จพระราชโองนของโดยเสด็จพระราชกุงลก็ได้รับความเมตได้รับความเมตตาปราณีจากท่านพลเอกเรียงสัจธรรม น, นันในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วกรมประาการทหารสูงสุดก็มีพลเอกพลทองสุวรรณพัฒน์เป็นกาลังใหญ่แล้วก็มีบรรดาประชาชนชาวไทยทั่วไปพคณะของเราทั้งหมด ต่างคนต่างช่วยกันการทำอย่างนี้ลูกรักเขายังเห็นว่าเราเป็นศัตรูของเขาพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงจะนั่นชีวิตของพ่อพ่อไม่แน่ใจเขาจะอยู่เป็นนานหรือไม่นานเพียงแค่สังขารมันก็แย่อยู่แล้วมันคอยจะตายอยู่แล้ว แล้วก็ยิ่งมาถูกก็การคิดประหัสรหารแบบนี้เข้าอีกพ่อก็ยังไม่มั่นใจว่าชีวิตจะอยู่ไปนานสักเพียงใดฉะนั้นขอลูกรักทุกคนคำสอนนั่นใดที่พ่อให้ไว้กับลกูกพ่อลูกจงถือว่าคำสอนนั้นนั่นแหละคือพ่อของเจ้า สำหรับร่างกายของพ่อนี่เล่าลูกจะถือมากเกินไปว่าชีวิตและร่างกายเกิดแล้วก็ตายตา ย, ตายแล้วก็เกิดดูดูอย่างพระเจ้ามาังรายมหาราชท่านก็เกิดแล้วก็ตายตา ย, ตายแล้วกเกิดตามสภาวะของท่านเป็นอันว่าพ่อเห็นว่าชีวิตมีความไม่สำคัญ ความสำคัญมีอยู่อย่างเดียวว่าทำอย่างไงเราจะทำให้ไทยเป็นไทยตลอดไปการลงทุนลง ท, นลงทนลงลอนใดๆก็ตามพ่อทำทุกอย่างด้วยมือเปล่าพ่อไม่ได้สะสมเงินทองอย่างเขาทั้งหลายที่เขาลือว่าพระมีเงินเป็นนั้นล้านเป็นสิบล้านยี่สิบล้านนั้นไม่เช่ยงอพ่อมีแต่มี แต่ลูกของพ่อก็เป็นคนดีส่งเสริมสงเคราะห์พ่อทั้งท่านที่เงินทองของลูกก็ไม่็จยมีกันนักเราไม่ใช่คนรวยไม่ใช่มหาเศรษฐีแต่เพราะอาศัยกำลังใจดีของลูกพ่อชื่นใจพ่อสบายใจและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทั้งลูกชายและลูกหญิงของพ่อเวลานี้ก็ได้คุณยาสมาบัติกันหมดแล้ว พ่อต้องถือว่าหมดคนที่อยู่ในช่วงใกล้ไม่มีใครไม่ได้เพราะลูกขอลกูกทั้งหลายจึงถือว่าอภิญญาสมาบัติที่พ่อให้เป็นสมบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัติธรรมาถ้าพ่อตายลงไปเมื่อไร่ขอลูกยึงเข้าใจว่าอภิญญาสมาบัตินี่แหละคือชีวิตของพ่อ ที่อยู่กับใจของลกูกอยู่กับกายของลูกตลอดเวลาคิดถึงพ่อเมื่อไรจนคิดถึงอภิญญาสมาบัติที่อยู่ได้นั้นลูกเองก็จะมีความภูมิใจว่าลูกได้อยู่กับพ่อตลอดเวลาทุกลมให้ใจเขา้าออกนี่เล่าเรื่องราวของพระเจ้าตาสินมหาราชกัปปายาสีสิทธิสงคราม เป็นอันว่าท่านก็มาเกิดช่วยกันรวมชาติไทยนั่นก็คือพระเจ้ามังรายมหาราชต่อมาเวลามันจะหมดมิูกรักเทสทั้งหกเทสนี่พ่อบันทึกวันเดียวเป็นอันว่าต่อ น, นี้ไปเราขอเล่าเรื่องสุดท้ายจุดหนึ่งที่มีการสำคัญ นี่พระเจ้ามังรายมหาราชมาเกิดก็ามาจากผมเหมือนกันแต่ตอนนี้มารับตำแหน่งใหญ่โตมากคือเป็นกนันจันโหนเที่ยวกำนันจันโหนเที่ยวนี่ที่เขาพ่อไปดูเขาไปดูพระทรรูปพ่อตกใจลรัก กำนันจันหนดเขียยนเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยเป็นคนมีสเสน่ห์กินนมากและก็สบบรีเป็นคนโทนมทมนิทนิดเป็นคนเนื้อเต็มข้างางท้วมหน้าตายิ้นแยม้มแจ่มใสชื่นใจเป็นที่รักของบรรดาประชาชนคนทั้งหลายในปกครอง ทุกคนเรียกว่าพอมีอำนาจมากอำนาจของท่านก็คือความดีวันทั้งวันใครไปเห็นกำนันจันเหนได้มีหน้าตายินแยนแจ่มใสอย่เสมอถ้าเราอยากพูดกันแบบคนเลวๆ เ, เขาจะหาว่าท่านกำนันจันนี่คือคนอ่อนแอแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆลูกรัก ท่านกำนันจันเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่ชนะใจคนทั้งตําบลและก็ชนะใจคนหลายๆตําบลทุกคนที่พบกำนันจันทุกคนจะต้องมอบราบลาบข้าวแก้วไม่ใช่กลัวลาเนเริ่มนาจแต่กลัวเริ่ม น, นาดของความรักนี่เป็นวาระที่ทิศสองข้างการเกิด แต่พ่อไม่ได้เรียงลำดับเราถือว่าการเป็นกำนันของพระเจ้ามารายมหาราชมันเป็นยศเล็กๆต่อมาเมื่อสองคารามเกิดขึ้นพม่ากขาจะเข้า ม, มาตีกรุงเสียอิติยาท่านกำนันจันหนดเที่ยวกับบรรดาเพื่อนรักรวบรวมกำลังของคนไทยทั้งชาติ ในชาติเท่าที่พึมหาได้ตั้งค่ายสู้รบ ก, กับ้าสิตทั้งๆ ท, ที่รัฐบาลไม่มีโอกาสที่จะสนัครถึงกำนันจันร์ได้เลยเขาเรียกว่าค่ายบางระจันร์คำว่าค่ายบางระจันนี่คนไม่ร้งไม่ได้ถือว่าอากำนันจันร์มาเป็นชื่อหรือว่ายังมีความมุ่งหมายอย่างนั้นพ่อไม่รู้ ต, ตะบล น, นั้นเขาอาจจะเรียกว่าตบนบางรจันมาก่อน ต่อสู้กับข้าศิกแต่ความจริงเวลานั้นทนานทารัฐบาลถลัดพ่อคิดว่าข้าศิกไม่สามารถจะตีกรุงศรีติยาได้ดั้งนี้พ่อรายเพราะว่าแต่กำลังประชาชนส่วนใหญ่ต่อสู้กับข้าศิกมันเป็นโอกาสที่เราจะสร้างกอนโจรได้ดี ตอนนี้สําหรับทางรัฐบาลนี่หาคนดีได้ยากกษัตริย์สมัยนั้นจะเป็นกษัตริย์องค์ใดก็ตามพ่อขอประนามว่าเป็นกษัตริย์ที่มีอารมณ์โง่ที่สุดนี่ก็เป็นขั้นการ์ที่สเปนได้ขั้นอีการสมัยที่โง่ที่สุด แต่หากว่าประชาชนเขสู้เราก็ต้องตั้งเป็นกองโจรเอาทหารมันไปในนามของประชาชนมันก็ไม่อยากเรื่องไม่เชนั้นก็ญาตราทับเข้าไปเป็นหน่วยกองโจรหน่วยกองเล็กเข้าไปโจมตีเบื้องหลังของข้าศึกสนับสนุนคนในค่ายบาลในจันนี่เพียงแค่ค่ายบาลันจันจะขอปืนทางราชการก็เกรงว่าข้าศึกจะย่งในระหว่างทาง ล้วต้องมีพระยาอะไรท่านหนึ่งเข้าสาไปช่วยหลอบปืนให้ท่านยังเดินทางไปได้และทำไมทหารยังจะไปไม่ได้นี่ความโง่ของรัฐบาลในสมัยนั้นมันก็เข้าๆกับเท่าๆกับความโง่ของรัฐบาลสมัยหนึ่งก็าอาจจะเป็นสี่สมัย ดีทําให้ชาติไทยจะต้องพินาศล่มจมเกือบจะทรงตัวไม่ได้แล้วในวาระนั้นจะเป็นสมัยบ้างไหนบ้างนั้นพ่อไม่พูดหวังว่าลูกๆคงเข้าใจดีแล้วคงจะจำหน้าคนจำชื่อคนพู้นั้นได้ดีว่าพวกนี้ถ้าเข้ามาบริหารประเทศชาติมาไรเมื่อ น, นั้นแหละประเทศไทยเราก็ต้องยำแย่ เพราว่าเมื่อพวกเราแยกเขารวยบางรายก็ลงทุนสัมมากมายเป็จะเป็นผู้แทนสักทีลงทุนจะเป็นร้อยล้านอย่างมัใช่ไมมใช่ไม่ได้นับเป็นล้านเงอนเดือนเท่าไหร่เว้นอันว่ารัฐบาลสมัยนั้นสวยที่สุดมันเป็นจิตตายของประเทศในที่สุด ถ้าบานเลยยันก็แตกตามประวัติศาสตร์เขาเขียนว่าคนตายทั้งหมดแต่เพราะว่าคนสมัยนั้นเขาไม่โง่เท่าคนเขียนคนลงตั้งค่ายได้เก่งคนมาเป็นมาร่วมรบได้โ ด, ดือนนีเงินเดือนเงินดาวเบียวไหเงินเดือนก็ไม่มีสามารถตั้งเป็นกองทัพต่อสู้ฆ่าศึกได้เป็นเดือนเดือน แล้วจะมีคนที่ไหนเขายอมโงดตายทั้งหมดพ่อเคยพูดกับนักเกลงคนหนึ่งถามว่าเขาคุยเรื่องเก่งในการตีรันพันแทงถามว่าเคยหนีบ้างไหมแก ย, ยิ้มแวบอกว่าผมพูดมาตั้งหลายชั่วโมงไม่มีใครถามมีท่านองคเดียวถามเออเลยแต่ว่าถ้านักเกลงนักเกลงจริงๆต้องมีหนี ถ้าไม่หนีก็ไม่ใช่ในักเลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องถอยก่อนเมื่อถอยเพื่อไปตั้งหลักต่อสู้กับเขาใหม่นี่จริงจะเป็นนักเลงได้แต่ว่าถือตัวว่าเป็นนักเลงแต่ว่าตัวเองไม่สามารถจะถอยในเมื่อกลาลังสู้ก็ไม่ได้อย่านั้นไม่ใช่ในักรลงแท้เขาถือว่าเป็นโง่นี่ลโล่งรักทาลาย ฟังแล้วก็จำไว้ว่าค่ายบาณอยจารย์กำลังจัน์พร้อมไดืเพือนเมื่อเวลาที่ประมาตีค่ายแตกเป็นของธรรมดาที่จะต้องเสียกำลังไปประมาณหนึ่งหรือสี่ของกำลังทั้งหมดแต่ว่าในเมื่อสถานที่ที่ตั้งมั่นแตกยับเยินทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องสลายตัว การสลายตัวครั้งนั้นก็ไม่ปรากฏชื่อเสียงเร่งนามมาอีกเก็บเงียบปิดเป็นความลับฉะนั้นนะักเขียนประวัติศาสตร์จรึงให้นาเจเนฟรงล ง, ลงจารึกไว้ว่าให้วานรยานแตกพร้อมด้วยคนพวกคนตายถ้าปล่อยอย่างนั้นก็ไม่ใช่กำ น, นันจันกำนันจันคนกำลังส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ ถอยเอาจากค่ายเห็นว่าจะทําการต่อสู้ในเมื่อข้าศึกมีกําลังมากกว่ากําลังดีกว่าสู้ประจัญน้ากันไม่ได้ยิ่งได้แยกย้ายออกมันตั้งเป็นกองโจรทําลายข้าศึกที่ออกหาสเสบียงเห็นข้าศึกมีมามากกว่าไม่สามารถจะประจัญน้าได้ก็ใช้ธนูหน้าไม้ไเพื่อยิงตส่กำลัง ถ้าข้าศึกมาน้อยก็เข่งข้าศึกที่นั่นเป็นอันว่าสมัยนั้นถึงแม้ว่ากรุงจะแตกแต่ว่ากําลังของบรรดาประชาชนได้อยู่ภายนอกกรงุงยังรวมกําลังกันอยู่เป็นจุดๆแบบเสรีไทยตั้งคนอยู่ตั้งเดชสิงห์บุรีทิ้งจังหวัดสวรรบุรีมีกําลังสิบจุด แล้วต่อมาก็ขยายกํากลังไปถึงจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจว บ, จบคีดีขันตั้งเป็นกําลังใหญ่เขาไว้ต่อมาเมื่อประเทศไทยหวังในการกู้ชาติก็ได้กําลังคนพวกนี้นี่แหละเข้ามาเป็นกําลังใหญ่ช่วยในการกู้ชาติเขาไม่ได้เป็นทหารของรักโดยตรง แต่ว่าเขาเป็นทหารของประเทศเป็นกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาเลิกสืกสงคารามไปแล้วก็ฝึกเพือ ก, กันสอนกันคนรุ่นนี้ก็แก่ไปคนใหม่เกิดขึ้นสร้างสอนยุทธวิธีกันตั้งแต่ตั้งแต่เด็กยังมีความจริงยังมีความชำนาญในยุทธวิธีในการรบ รบบนหลังช่างรบบนหลังมารบบนหลังควายรบในทางเดินราบเขาทํากันนะว่าสร้างความสามคัคคีตั้งหมวดตั้งห ม, ตงหมูตั้งบนหน้ากองไว้ที่เรียกกันว่ากำนันใครเป็นกำนันก็ชื่อว่าเป็นผู้บังคับกองใครเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ชื่อว่าเป็นผู้ห้องขับหมวดใครเป็นสารวัตรคนนั้นเป็นผู้บังคับหมู แล้วใครเป็นผู้ช่วยวี้ใบ้าน ผ, ผู้คนคนนั้นก็เป็นผู้ขับโม่จัด ก, กำลังกองทัพประชาชนกันไว้แบบเงียบๆฝึกยุติเวทีสร้างสมสเบียงอาหารการรบคําแรกการตั้งค่ายเป็นการพ่ายแพร่ข้าศึกมันก็เป็นการสอนตัวเอง ว่าถ้าข้าศึกเข้ามาแ้าร ว, รวมตัวกันอย่างนั้นก็เป็นจุดให้ข้าศึกรู้ว่าเราตั้งอยู่ที่ไห น, นเสียทา่าภายหลังเมือ่อกรงเสดียาเราหวังจะโกชาติกําลังท่านโพนีเขาเด้งพยายามตัดกําลังข้าศึกนับตั้งแต่เดินทัพเข้ามาหน่วยไหนที่แลลมออกไปเพื่อจะหาหานะันเอาอละตวเวิน ชาวบ้านธรรมดาจะทำท่าบริหากินแบบปกติแต่อาวุธอยู่ไม่ไกลนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธที่มีความสำคัญก็คือธนูกับหน้าไม้ใช้เป็นอาวุธยาวติดอย่างอย่างที่ชระเพทที่เรียกว่าพัะถูแล้วก็ตาย เมื่อปลายดอกยิงฆ่าสุดทำลายเอาทาลายกำลังฆ่าศึกในการตัดอาหารการบริโภคว่าฆ่าศึกเขามานอกจากสเสบียที่ผิดเข้ามาแล้วยังกวาดต้อนจากชาวบ้านถ้าเข้ามาหมู่ใหญ่ผริดร่อไปทีละคนสองคนเก้าคนสิบคนแอบตามสมทมพุ่มไม้เป็นแบบกองโจน ถ้าว่ามาเป็นกลุ่มน้อยก็นั่นหมายหมายถึงว่าต้องตายทั้งหมดแล้วทุกคนก็หลบเข้าป่าทำท่าทํา้ว่าเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นปกติเนี่ยเป็นอันว่าพระเจ้ามังรายมหาราชรองเกิดมาเพื่อรักษาชาติเพื่อทรงชาติไว้จริง ฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทั้งชายและหญิงพ่อก็จะต้องจบเรืเ่องของพระเจ้ามังรายมหาราชถ้าคือนี้เขียนกันเป็นประวัติมันก็ยาวเหยียดแต่ละบุคคลเล่าให้ฟังว่าการที่เราจะสั่งสมกิเลส ให้มันทรงตัวอยู่แบบนี้มันก็จะมีวายการเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารหาที่สุดนี้ได้ฉะนั้นของบรรดาลูกหญิงและลูกชายทั้งหลายจงรักษาความดีที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมัาสันดาสมาพระพุทธเจ้าให้ไว้งานใดที่พ่อนำลูกทั้งหลายทำ งานทั้งหลายเหล่านั้นขอลูกรักทั้งหมดจงรักษางานไว้ได้นั้นไว้ได้ด้วยหัวใจของลูกเองหมายความว่าทุกคนจงพยายามรักษากำลังงานไว้ได้ใยชีวิตเพก็ ง, งานสาธารประโยชน์เป็นกิตจนหนึ่งให้คนไทยรวมตัวกันมีความรักมีความสามัคคีสิงห์ละกัน เมื่อมีความรักมีความสามเกียร์ซึ่งกันทุกคนก็มีความสุขพ่อก็ยังรู้สึกขอบคุณขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องห้าให้โอกาสพ่อและสถานีวิทยุสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องเกา้าที่ให้โอกาสพ่อแต่ความจริงการทําอย่างช่องห้านั้นดีมากเป็นประโยชน์มากเราแจกกันทําควาัน และบรรดาประชาชนพี่น้องทุกท่านทุกคนก็ต่างคนต่างพากันช่วสนับสนุนเต็มที่แต่จุดหนึ่งที่เราทำเงียบๆนี้อีกจุดหนึ่งที่เป็นกำลังใหญ่โดยเพพาะอย่างยิ่งทมใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสสัจฉณาสมาสพุทธเจา้าให้พ่อไว้พ่อถ่ายทอนให้แก่โลก ไอ้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ขอลูกจงถือว่านั่นคือตัวแทนของพ่อเพราะว่าชีวิตของพ่อนี่พ่อไม่แน่ใจนักว่าจะมีอายุยืนยาวอยู่สักกี่ปีขอลูกทั้งหลายจงอย่าถือขันห้าของพ่อนี้เป็นสงคัญปฏิปทาใดที่เป็นที่ชอบใจของลกูกไม่เคยมีสายลูกจงทา แล้ว ก, ก็จงรักษาพิญญาสมาบัติไว้ขณะในที่ใจของลูกจะรักษาพิญญาสมาบัติแล้วสาธิติปทาสาธาประโยชน์ขณะนั้นลูกจงภูมิใจว่าพ่ออยู่กับลูกตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างกายกายยาของพ่อจะสลายไปแต่ทว่าใจของพ่อยังอยู่กับใจลูก ลูกจะไปที่ไหนก็ชื่อว่าพ่อไปด้วยช่วยลูกทุกประการเอาได้สำหรับวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะต้องรีบทำเวลาจํากัดเวลาก็หมดพอดีพวกขอจบเรื่องราวของพระเจ้ามังรายมหาราชในช่วงที่ 2,500 ปีเศษท่านต้องเกิดถึงที่สองหสามครั้ง เวลานี้เวเรียราชอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเป็นที่น่าเสนใดถ้ามาเกิดได้ในเวลานี้ก็น่ากลัวโหวจะขาดไปหลายคนถ้าตอนนี้ตอนนี้ไปคุม้มดาูกรักทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญทำใดที่องค์สมเด็จไปจอมใจบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัติไว ขอลูกรักของพ่อทุกคนจงทรงทํานั้นไวจงกว่าจะเข้าวนิภัณฑ์ในชาตินี้สวัสดี